ขอความสุขความเจริญจะมีแนะ่ท่านผู้ฟังทั้งหลายการบรรยายพระสูตรในวันนี้จะได้พูดถึงมหาทุก ข, ขะขันธสูตรซึ่งแปลว่าพระสูตรว่าด้วยกองทุกข์ใหญ่มีข้อความในเบื้องต้นว่าเมื่อพระพุมีพระภาคเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่พระเชตวันกรุงสาวัตถีเวลาเช้าวันหนึ่งภิกษุหลายรูป ออกไปเพื่อจะบินทบาทเต้นว่าเป็นเวลาอย่างเช้ายู่จึงแวะเข้าไปในสำนักของอัญญะเดรธีคือนักบวชนอกพระพุทธศาสนาผู้อัญญาเดรธีเหล่านั้นก็พูดกับภิกษุทั้งหลายว่าพระสมณะโคดมไม่รู้เรื่องคุณของรูปโทษของรูป บัญญัติคุณของเวทนาและโทษของเวทนาแม้เราก็บัญญัติคุณของรูปโทษของรูปคุณของเวทนาและโทษของเวทนาแล้วอะไรล่ะเป็นความแตกต่างระหว่างเรากับพระสมนณโคดมภิกษุเหล่านั้นฟังแล้วก็เฉยหรือไม่ตอบอะไรโดยมีความตั้งใจว่าจะไปทราบข้อเท็จจริงถึงความแตกต่างในสำนักพระพุทธเจ้า เมื่อไปถึงเพิดสสำนักแล้วก็กราบทูลให้ทรงทราบทั้งหมดตรงก็รับสั่งว่าการที่พวกอัญญาเดียีกล่าวเช่นนั้นก็เป็นเรื่องความรู้ความเข้าใจของเขาแต่ว่าการที่พวกเธอไม่ไปตอบเสเองนั้นก็ดีแล้วเพราะว่าการจะจำแนกโดยพิสดารเป็นวิสัยของพุทธญาณเท่านั้นไม่ใช่เป็นวิสัยของเธอ และต่อจากนั้นก็ส่งแส ด, แดงกองทุกขนาดใหญ่ในชีวิตของบุคคลที่เห็นกันได้ชัดชัดง่ายๆเป็นหกช่วงของชีวิตด้วยกันและหนที่สุดก็แส ด, แดงในแง่ของคุณโทษของรูปรเวทนาสองอย่างโดยพิสดารข้อที่ น่าจะศึกษาในตอนแรกก็คือเรื่องลักษณะาทางสังคมของพระพุทธศาสนาเวลาเกี่ยวข้องกับนักบวชในาศาสนาอื่นซึ่งตามปกติแล้วถ้าเรามองโดูจากที่หลายๆแห่งก็จะพบว่าพระภิกษุในพระพุทธศาสนาในยุคพุทธกาลมีความเกี่ยวข้องคุ้นเคยกันกันกบพวกนักบวชนอกาศาสนา แลน้นักบวชนักศาสนาจะเรียกภิกษุว่าสมณะสักกยบุตรจะเรียกพระพุทธเจ้าโดยพระโ ค, โคโดมแล้วก็มีการให้เกียรติกันพอสมควรบางสำนักแต่สำนักของอัญญะเดียถีไอ้คำว่าอัญญะเดถีนี่ก็น่าจะทำความเข้าใจอยู่อย่างหนึ่งถ้าท่านทั้งหลายได้เคยอ่านหนังสือของ คุณอนันต์พันตรียันันต์พันธมรตรียนันันต์เสนาคันที่เขียนด่าหลวงพ่อพุทธทาสว่าคำสอนดิระถีคือเป็นคำพูดที่ขำที่สุดดิระถีนั้นเป็นชื่อของาศาสดานะครที่จริงยกย่องนะฮะถ้าฟังถึงรูปศัพท์แล้วก็เป็นคำยกย่องดิระถีแปลว่าผู้กระทําซึ่งท่าเี่ตัวาศาสดาวัติระถังก่อนคือผู้แสดงท่าคือหมายความคล้ายๆกับคนเราเนี่ยมันก็ แ, แวกบใบยอยู่ในมหาสมุทร แล้วใครก็ตามที่นําคนขึ้นจากมหาสมุทรได้เขาก็เรียกว่าดิระังกรเป็นภาษาที่เรียกชื่อศาสดาแต่พระพุทธศาสนาถ้าเรียกในทางทางดำนิเขาไม่เรียกว่าดิระีนะฮะก็เรียกอัญญะดิระีคือต้องใส่อัญญะขึ้นคำหนึ่งอัญญะดิระีแปลว่าผู้กระทําท่าอื่นคือหมายความว่านําคนเข้ารถก้าพงไปเลยไม่ใช่ท่าคือพันิพานแต่คำในมันสําคัญเหมือนกัน คือเราใช้ไปบางทีก็แทนที่จะเป็นยกย่องแทนที่จะต้องการจะตําหนิเขาก็กลายเป็นยกย่องไปในในแง่ของถ้อยคําพวกนี้เป็นพวกอัญญะเดรธีซึ่งโดยตรงแล้วนะฮะหมายถึงพวกศาสนาเชนแต่ในบาลีบางแห่งนั้นหมายถึงนักบวชในนิกายอื่นด้วยในศาสนาอื่นด้วยศาสนาเจนเป็นศาสนาที่พยายามขับเคี่ยวกับพระพุทธศาสนา เป็นกําลังจริงๆเลยเรียกว่าตลอดระยะเวลาประชนรมชีพของพระพุทธเจ้าท่านนิโครนาตบุตรซึ่งเป็นศาสตราศาสนาเชนยวตามล่างตามผ่านพระพุทธเจ้าอยู่ต้องสลายสี่42ปีนะฮะเกยแกตายก่อนพระพุทธเจ้านี่ผ่านสามปีเพราะงั้นอะไรที่เห็นว่าจะยกตนข่มคนอื่นได้จะเบ่งทับพระพุทธศาสนาได้แล้วก็ต้องโศกสวยโอกาสเรื่อยนี่ก็เป็นพวกพวกนิครนะคร พวกนิครนหรือพวกชีปเปลือยพวกศาสนาเชนปัจจุบันนี้ก็มีแพร่หลายอยู่ในอินเดียาการกล่าวยกจ้องในลักษณะนี้คือการกล่าวเทียบเคียงตนเองในลักษณะนี้ที่จริงก็ไม่ใช่การทาครั้งเดียวก็ทําอยู่บ่อยเพื่อแสดงให้เห็นว่าฐานะของเขากับพระพุทธเจ้าก็คือกันเนี่ยพระพุทธเจ้าก็บัญญัติเรื่องคุณเรื่องโทษของรูปเวทนา เขาก็บัญญัติเรื่องคุณเรื่องโทษของรู ป, ปรเวทนาก็เลยก็ไม่รู้มันจะต่างกันได้ยังไงก็แสดงว่าขอกับพุทธเจ้านั้นเหมือนกันภิกษุของเรานั้นไม่ตอบซึ่งพระพุทธเจ้าได้แสดงเอาไว้แล้วในตอนหลังว่าก็เป็นการสมควรเพราะว่าการจําแนกโดยละเอียดเนี่ยคื อ, อย่าลืมว่าพระพุทธศาสนานั้นเป็นดวงประทีพดวงใหญ่ในถ้ำกลางดวงประชีพมันไม่ใช่ถ้ำกลางเป็นเป็นดวงประทีพในที่มืดนะครเป็นประทีพดวงใหญ่ถ้ำกลางดวงประทีพ เขาก็เป็นแสงสว่างมาโหรานมันกันก็เก่งไม่ใช่ย่อยนยทีนี้พรจะพุทธเจ้าโผล่ขึ้นมาเนี่ยเป็นดวงประทีปที่ชาัดชาวานซึ่งบางครั้งบางคราวมันก็เฉือนกันนิดเดียวแต่นั่นเองแล้วถ้าเราไม่รู้ซึ้งจริงๆเนี่ยเราก็ไปแยกไม่ออกกระทำให้ได้หลักประการหนึ่งว่าในฐานะที่เป็นพุทธบริษัทจำเป็นจะต้องศึกษาธรรมะโดย ลึกซึ้งให้เข้าใจถึงข้อแตกต่างข้องข้อละไม้เหมือนข้อคล้ายคลึงหรือข้อที่แปกเพียนกันกับคำสอนในาศาสนาเชนหรือาศาสนาไหนก็ตามนะเราต้องแยกให้ออกถ้าแยกไม่ออกในในที่สุดมันก็เกิดสับสนปนเปนกันพระเหล่านั้นท่านรู้ว่าถ้าเล่นถึงจุดสุดยอดจริงๆเขาก็ไม่ไหวเหมือนกันท่านเองท่านก็ตอบไม่ไหวและในที่สุดท่านก็ไม่ตอบ ซึ่งเป็นความดีแล้วนะครการไม่ตอบในบางกรณีเป็นความดีคือถ้าตอบแล้วไม่ถูกนี่ไม่ตอบซะเลยดีกว่าคือปล่อยให้เขาเข้าใจผิดเพียงขนาดนั้นคือเขาเข้าเข้าใจผิดเราเพียงขนาดนั้นแต่ถ้าเราเกิดตอบเข้ามามันก็จะผิดกันใหญ่แต่ในกรณีที่เรารู้เราต้องตอบก็ขึ้นขึ้นอยู่กับกรณีกรณีนี้มันมันละเอียดนะฮะและละเอียดอย่างไรนี่จะไปพบตอนปลายว่าละเอียดจริง จากนั้นพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงให้เห็นว่าชีวิตนี้ประกอบด้วยความทุกข์ต่างๆนะแสดงชีวิตก่อนโดยแบ่งทุกข์เป็นถ้าไหเป็นหขั้นกันทุกขั้นแรกก็คือคนเราต้องเหนื่อยยากลําบากตากตามด้วยประการต่างๆประกอบกิจการงานการงา น, งานตามปกติแล้วมันก็น่าจะสมหบงัง แต่ก็เอาก็จริงแล้วแม้ลงทุนด้วยความเหนื่อยยากลำบากบางทีก็ผิดหวังบางทีก็ประสบ ภ, ภัยอันตรายในขณะที่ประกอบกิจการงานหลบนั้นบางครั้งบางคราวก็ถึงก็ล้มตายไปนี่ก็เป็นทุกข์ในการดำรงชีวิตที่เห็นได้ง่ายๆนะเอาธรรมดาธรรมดานี่มาพูดก็ไม่มีอะไรประการที่สองเมื่อเราได้สมหวังแล้วมันน่าจะสุขเกิดความทุกข์อีกล่ะเกิดความทุกข์อีกแล้ว กลัวทรัพย์สมบัติจะหายไปกลัวโจนจะขโมยกลัวเจออันตรายจากไฟไหม้กลัวจะถูกกริปกลัวถูกช่โอโกงกลัวท า, าติจะรักษาไว้ไม่ได้ตายครับมันตายไม่หลับกลัวทรัพย์สมบัติจะเสืส่อมเสียนี่ก็เป็นภาพที่เราเห็นได้วันนี้คือความทุกข์ไอ้ไม่สมหวังทุกข์แล้วพอสมหวังนึกว่าจะหายทุกข์มันทุกข์อีกล่ะมันทุกข์อีกแบบนแล้วสรุปเราเห็นได้ง่ายๆว่าไม่มีทรัพย์มันก็ทุกข์พอมีทรัพย์นึกว่าจะหายทุกข์อ่ะก็มีทุกข์อีกแบบ ทุกพระมีทรัพย์ไอ้ทุกะไม่มีก็บทุกพระมีเริงมาทุกเดวยกันประการที่สนั้นตือเรื่องของครอบครัวนะการอยู่ร่วมกันเป็นครอบเป็นครัวก็ทรงชี้เห็นว่าถ้าคิดเรียกว่าเป็นกวิสมะคือคนมันไม่เสมอกันทัศนะ์ความคิดความเห็นการความประพฤติการปฏิบัติเหตุผลต่างๆ ขคนที่มาอยู่ร่วมกันเนี่ยมันไม่เสมอกันถือตั้งแต่สองคนขึ้นไปแล้วก็มีปัญหาแล้วแต่ว่าคนที่เสมอการสักหมื่นสักแสนมันก็ไม่มีปัญหาอะไรทีนี้ชีวิตครองเรือนเนี่ยมันกป็นเป็นไปได้ยากเหลือเกินที่สามีกับปัญญาไม่ทะเลาะกันด้วยความเห็นไม่ขัดแย้งกันหรือไม่มีปัญหากับลูกกับเตา้าทั้งเบื้องบนเบนืบ้องต่ำมันก็มีปัญหาไปสารพัฒนนี่ก็ส่งแสดงให้เห็นรูปของความทุกข์ที่บุคคลเห็นกันได้ไ ง, ง่ายๆก็ไม่ต้องพูดอะไรมาก และช่วงต่อไปก็ทรงแสดงว่ามันกระจายความทุกข์เนี่ยมันกระจายไปจนถึงว่าเป็นการทะเลาะระหว่างปัจเจกชนจนถึงยุดเยื้อออกไปจนกลายเป็นสงครามล่างพานกันนี่ก็คือเรื่องของความทุกข์ในโลกในชีวิตในการครองเรือนของคนทั้งหลายมีการสร้างบาปสร้างกรรมกันเป็นนันมาก แต่ว่าในแง่ของโลกนั้นเขาก็มองในแง่โลกเขาถือว่าเป็นความจำเป็นที่จะต้องทำสงครามเหมือนกับอิรักกรานนะเขาอ้างว่านะจำเป็นเหมือนกันแต่นี้พระพุทธเจ้าทรงสดแสดงในแง่ของความจริงว่าปฏิจริงเป็นทางของเวรของภัยของบาปรกรรมต่างๆซึ่งก็ไม่มีใครปฏิเสธได้ยังชอบใจท่านอากิมโอมาขยมนักปรยาของ พวกตวันออกกลางเนี่ยแล้วแกมีโครงในบทหนึ่งก็มองก็เรียกว่าโลกทัะทัดในแง่ของนักปรญ า, าเป็นการมองปัญหาจากจุดเดียวกันแต่ว่าชาวบ้านสามานนั้นมองเห็นความแตกต่างแต่ในแง่ของนักปรย า, าแล้วมองเห็นว่ามันมันอันเดียวกันน่มีโครงขึ้นต้นด้วยคำว่ามหาโจรเที่ยวปล้นฆ่ามหาชนดาอุบาทราธทันปลนปราบป้อง มหาราชญาติพระหนุ่ยไปจนมหาราชและพ่อชมชะกาศราดเด็ด ก, ก้องเกียร์กระนั้นขันใหม่คือเป็นเรื่องที่ขำที่สุดของโลกบรรด์มาโจรเที่ยวปล้นเที่ยวฆ่าเขาที่ริบเที่ยวยึดท ร, รับเขาเผาบ้านเผาเมืองเขาเป็นคนโหดร้ายทารุณทำ ม, มินดินนะชาติต้องปราบต้องฆ่าต้องทำลายต้องจับต้องกุ่มเดีไปกองทัพโลกโ ยกเข้าไปรบกันนะฮะที่จริงฆ่าคนตายมากกว่าแล้วก็ยึดทรัพย์ก็ได้มากกว่าอะไรแต่ไรก็มากกว่าชมชะกาด ร, ราดเด็ก้องกลายเป็นวีรชนเป็นรัฐบุรุษเป็นมหาบุรุษนี่คือมองในแง่ว่านักประยาที่จริงมันจุดเดียวกันเป็นทางแห่งบาปกรรมเหมือนกันเพราะงั้นพอพระพุทธเจ้าแสดงก็แสดงแนวเดียวแนวเดียวว่าที่จริงก็เป็นที่ตั้งของเวรของภยัยของความทุกข์ของการเบียดเบียนประทุษร้ายกันทั้งหมด และประการต่อไปเมื่อบุคคลแต่ละคนได้กระทาผิดกระทําผิดลงไปก็ถูกอาทยาของบาตรเมืองลงโทษแล้วสงแสดงอาทยาซึ่งถือว่าเป็นทันทวิทยาประการหนึ่งแต่แหมน่ากลัวมากเลยดูแล้วบางเรื่องโทษที่เขาลงบางอย่างเนี่ยไ อ, ไอ้นักโทษไม่น่าจะอยู่ได้เช่นว่าทลกทลกหนังจากจากเนี่ยจมูกหูเนี่ยขึ้นไปก่อน แล้วก็ถลกออกหนังศีรษะออกหมดแล้วก็เอาทรายถูไอไอ้หนังหัวไอ้ถูหัวจนขาวบางทีก็ถลกไอ้หนังขึ้นมาแล้วก็มาคลุมตัวหรือว่าถลกออกไปจากเอวเนี่ยลงไปถึงที่ข่าแล้วก็ไอ้หนังมันก็ไปพุม่มเท้าแล้วก็ไล่ให้วิ่งแต่ก็ต้องเหยียบหนังตัวเองโทษแหมสารพัดเลยสั อ้าปากข้าวแล้วฐานเขาใส่อะไรแต่ไหนะสิบกย่างดูแล้วน่ากลัวมากเลยแสดงว่าในสมัยนั้นอาจจาัของแผ่นดินนี้รุนแรงกันเวลาลงโทษค่าจริงๆนี่ก็เป็นเป็นโทษจากชีวิตนะฮะก็ห้าอย่างนี่เราก็เห็นกันได้ในปัจจุบันได้ประการต่อไปก็ท่งแสดงถึงโทษที่บุคคลจะต้องประสบ เพราะกรรมทุจริตที่บุคคลเหล่านั้นก็ทำในขณะที่มีชีวิตอยู่คือทุจริตทางกายทางวา จ, จายอย่างที่เราผัวพูดกันนั่นคือสรุปแล้วถ้าแสดงแนวนี้สวนมากจะพูดถึงอคุศลกรรมดทิบคือขาสัตร์ลักท ร, ร, ร, ร, ษ ร, ร, ษรัพย์ะพิษผิดในกาลในสูตรนี้แหละคือจำง่ายนะฮะทำยากที่จริงก็มี10ข้อนั่นเองก็ทำกันไม่ได้ทักทีคนเหล่านี้ก็อยู่อย่างมีเวญมีภัยในปัจจุบัน พอตายไปก็ต้องหมกไหมยทนทุกข์หมกไหมยอยู่ในนรกอีกนี่ก็แสดงให้เห็นว่าเป็นความทุกข์ชีวิตจึงเป็นกองทุกข์ขนาดใหญ่ทุกในการแสวงหาทุกในการได้มาทุกในการทะเลาะวิวาสกันทุกในการต่อสู้ทุกที่ประสบกับการกระทาของบ้านเมืองทุกที่เกิดขึ้นจากผลกรรมโดยการกระทาของตัวเองก็สรุปทุกสารพัดทุก แต่ท่านทั้งหลายจะเห็นได้ว่าแสดงในช่วงนี้ก็ไม่ได้เอาลึกซึ้งอะไรเป็นภาพเป็นเหตุการณ์เรื่องราวที่บุคคลเห็นได้และประการต่อไปก็ท่งพูดถึงคุณถึงคุณถึงโทษของรูปนะฮะเพราะว่าเขาเสนอมาเพียงสองข้อเท่านั้นเองก็เสนอรูปกับเบท น, นาเท่านั้นเพราะงั้นพระเจ้ า, าจะรับสั่งเพียงสองอย่างแต่ว่าครั้งแรกสรุปให้รู้ก่อนว่าทั้งชีวิตเนี่ยทั้งชีวิตเนี่ยก็ประกอบด้วยความทุกข์ที่พูดปั๊บก็เห็นปุ๊บเห็นได้ง่าย ยกตัวอย่างว่าคุณของรูปทรงยกตัวอย่างขัตยานีคือนางกษัตริย์ที่รูปไม่สูงไม่ไม่สูงนักไม่ต่ำนักไม่ดำนักไม่ขาวนักไม่ผอมนักไม่อ้วนนักอะไรเนี่ยอยู่ในวัยที่ยังรุ่นอายุสิบป่าที่ก็นี่ก็ถือว่าอันนี้ก็เป็นคุณเป็นคุณของของรูปก็ไม่ได้ปฏิเสธอะไรนะฮะเป็นคุณของรูปเพราะงั้น บางทีเราจึงเรียกพวกกลุ่มเหล่านี้กลุ่มรูปเสียงกลิ่นรสผลิัณฑ์ธรรมารมว่ากามคุณกามคุณก็คือกลุ่มของสิ่งที่เราน่าใคร่หรือบางทีเราก็แปลว่าคุณของกามคือมันมีก็ไม่ได้ปฏิเสธหมดว่าไม่มีอะไรเลยเหรอกแต่ว่ามองในแง่ของการเปรียบเทียบในชั้นหนึ่งนั้นมองในแง่ของการเปรียบเทียบต่อมาก็ทรงแสดงโทษของรูปรูปเดียวกันนะั่นนะ่ะนางขัตยานีคนเนี้ย เวลาแก่ลงมาตามลําดับตามนักไอความเปลี่ยนแปลงตามลําดับมันก็เกิดขึ้นไอสิ่งที่กําหนดว่าหน้าค่าหน้าปรารถนาน่าพอใจก็หายไปมีแต่ว่าความพิกลพิการต่างๆโรคภายคข้เจ็บเบียดเบียนตลอดถึงความหง่อมความคลั่งคลาความชราอะไรตายนี่อันนี้ก็เป็นโทษของรูกทีนี้ก็เอาวานางขัตยานีคนเนี้ยที่ยังสาวอย่างงั้นแต่ว่าเป็นภาพที่ป่วย ปวยหนักมีโรคเสียแทงมีคืออาการของโรคต่างๆนะฮะแล้วก็แปดเปื้อนด้วยสิ่งสกปรกอาจมต่างๆเป็นนั้นมากอันนี้ก็โทษตินโทษของรูปที่เห็นกันได้ง่ายเพราะงั้นในความเป็นรูปรูปนั้นก็มีทั้งคุณและทั้งโทษก็ไม่ไ ด, ไ ด, ได้ได้แสดงว่ามีคุณอย่างเดียวหรือมีโทษอย่างเดียวแต่ถ้าก็เปรียบเทียบว่าเอาปั ปัจซาดาดุฆากามาอิติวิญญาจบันดิตโตบันดิตรู้ชัดว่าการเนี่ยมันมีสุขน้อยแต่มีทุกมากก็ถ้าถ้าพูดถึงคุณมันก็คุณมีนมนะฮะแต่คุณน้อยก็มีทุกมากกว่ามีโทษมากกว่าอย่างร่างกายหรือแม้แต่อาหารเราลองนึกดูไอ้คุณน่มันก็มีน้อยแต่โทษมันก็มีมากการจะเจียมการแยวงหาอะไรใดสารพัด เสร็จแล้วก็อร่อยก็ตอนรับประทานหน่อยหนึ่งต่อไปก็พาราอีกแล้วอปรุงพรรังมากปาไกา่กองอย่างที่เคยบอกว่าเห็นก็จัดงานวันเกิดอะไรมัเป็นทุกแทนเตรียมงานตัน2สองสามวันหลังอย่างนั้นหนึง่งสองวันห้าวันทั้งหมดหวันก็อาจจะเสร็จเพื่อจะกินอาหารประมาณชั่วโมงครึ่งเองมันเป็นความทุกความทรมานความสูญเปล่าไม่ไม่ได้เกิดสาระอะไรขึ้นมานี่ก็คือโทษ ที่ทรงมองในรูปเปรียบเทียบก็ เ, เรามองดูว่าในขณะที่กําลังสวยงาม น, นั้นก็มีแก่มีความหิโวโหยมีการถูกเสียดจิตเสียดแทงในโรคภยัคยไข้เจ็บอะไรต่างๆมากมายเหลือเกินแต่ว่าคุณมันก็มีแต่พอมาเปรียบเทียบกันแล้วโทษนั้นก็มีมากกว่าจากนั้นก็ทรงแสดงถึงเรื่องของเวทนาเวทนาว่าก็มีส่วนที่เป็นคุณมันก็มี ไอ้ส่วนที่เป็นโทษมันก็มีโดยเฉพาะเวทนาคือความเวทนาความสวอารมนะฮะความสุขความทุกข์ที่เราเกิดขึ้นก็ในชีวิตของคนเราในประสบเวทนาที่เป็นทุกข์มากก็เห็นกันได้ชัดๆก็ทรงแสดงเวทนาต่างๆที่เราเห็นกันได้แล้วไอ้สุขของเวทนาจริงๆ มันจะมีได้จริงๆเวทนาที่นานวันลงควรมันก็ต้องได้ปฐมฌานขึ้นไปเพราะอะไรพวกปีติกสุกปีติกสุกในองฌานเนี่ยมันจะเป็นคุณของเวทนาที่เราเห็นได้แต่ถ้าในชีวิตประจําวันแล้วมันก็มีนะฮะก็มีก็ไม่นานนะมีไปนานนิดห น, น่อยเป็นชั่วขณะหนึ่งตนนั้นเองแต่ในสุดมันก็เปลี่ยนเป็นทุกข์เป็นความแปรปรวนแต่ถ้า ระดับของฌานขึ้นไปคือถ้าฌานไม่เสื่อมแกก็อย่างนั้นอยู่เรื่อยแกก็ปีติแกก็สุขอยู่เรื่อยถ้าได้ปฐมฌานขึ้นไปนะแต่หมายความว่าฌานไม่เสื่อมนะถ้าฌานไม่เสื่อมก็คุณของเวทนาก็ปรากฏให้เห็นได้ชัดแล้วต่อไปก็ส่งแสดงไปเรื่อยจนถึงกรรมาจุดแตกต่างจุดแตกต่างที่พระเหล่านั้นท่านไม่สามารถจะตอบได้เพราะอะไร เพราะในสมัยก่อนเนี่ยก็ไม่ใช่สมัยก่อนอ่ะคือสมัยสมัยรุ่นเดียวกับพระพุทธเจ้าหรือแม้แต่สมัยหลังนี้นอกจากพระพุทธศาสนาเล้นี่คือถือว่าจุดสูงสุดของรูปคือรูปที่เข้าถึงคุณโดยสมบูรณ์นะครับรูปที่เข้าถึงคุณโดยสมบูรณ์ได้แก่การบารรลุรูปฌานบารรลุรูปฌานแล้วก็ถือว่าเป็นเ อ, เอกรันต์บร ม, มสุข สำหับความเชื่อถือในสมัยนั้นที่จริงในเรื่องเหล่านี้พระพุทธเจ้าเองก็เคยเข้าศึกษาในทำนักของอาลาราบทก็ได้มาแล้วนะฮะได้มานานนะแต่พระพุทธเจ้าท่านเห็นว่าไม่ใช่อะมันเป็นความหลงผิดเป็นความเข้าใจผิดเอาจึงได้เลิกเพราะงัการการบัญญัติคุณของรูปจึงห่างกันมากการบัญญัติคุณของรูปในพระพุทธศาสนานั้น ต้องได้อนาคามียดเสก่อนได้อนาคามียดเสก่อนคือหมายความมาสํารอกความพอใจในเอกพวกการมราคะกับปฏิฆะออกได้ก่อนก็สละพระนาคามีนิรักิเลสได้เขาเรียกสังสังโยชน์นะครับไปห้าอย่างคือไม่มีสักกายทิจิความเห็นเป็นเหตุถือตัวถือตนถือเราถือเขาพวกเราพวกเขาอะไรไม่มีแล้วก็ไม่มีวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยอะไร ในพัฒน า, ายัยในเรื่องอดีตอนาคตปัจจุบันในขันท่าอายตนะเนี่ยไม่สงสัยแล้วก็ไม่ถือมัน่นด้วยศีลด้วยวัดด้วยข้อปฏิบัติที่ไม่ยุติโดยเหตุผลต่างๆแต่ก็ไม่ใช่เป็นคนขวางโลกนะฮะไม่ใช่ปเปด่าก็าเาปล่ปาๆแล้วก็สำอกกามราคะคือความกําหนัดในวัตถุกรรมทั้งหลายเกลือรูปทั้งหลายนี่จริงๆมันเป็นกลางๆอ่ะมันไม่ได้เกีย่ยวอะไรกับเรา มันสร้างความเปลี่ยนแปลงภายในจิตใจเราก็เพราะเราไปยึดมันน่ะไปยึดเป็นรูปของเราหรือว่าเราเป็นรูปรูปมีในเราเรามีในรูปก็แล้วแต่จะยึดยึดละเอียดก็ยึดอย่างนั้นว่ารูปเป็นเราเราเป็นรูปรูปมีในเราเรามีในรูปถ้าอย่างนี้แล้วก็ยุ่งอ่ะนี่ขั้นขั้นยึดละเอียดถ้ายึดมันละเอียดก็คือรูปของเราในรูปของเรารูปเรารูปของเราหรือเป็นตัวเป็นตนของเราอันนี้ก็ที่เราเห็นได้กันชัด แต่ว่าส่วนลึกจริงๆมันมันจะยึดเป็น4แนวเราเป็นรูปรูปเป็นเราเรามีในรูปรูปมีในเรานี่คือส่วนลึกจริงๆจะยึดเข้ามาอย่างเงี้มันกระจายตัวออกไปถึง20สอย่างเลยกันคือไปเวทนาสสัญญา 4, สสังขารสี่ปิญญาณ4่สีญญ 4, ส่ห้ญญา 4, 4 5, ก็20ก็ยึดในขันห้าพวกนี้เขาถือว่าพอได้รูปประจานแล้วก็คุณของรูปก็สมบูรณ์ แต่รูปตศาสนาไม่ต้องอาได้นาคาม่มากแต่ก่อนคือต้องสำรวจความพอใจในวัตถุกรรมทั้งหลายวัตถุกรรมแกก็มีอยู่อย่างนั้นแหะมีอยู่เหมือนเหมือนทั่วทั่วไปแต่ว่าใจของท่านที่เห็นเนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนไปตามรูปเหล่า น, นั้นมันก็เป็นสักแต่รูปภูเขาต้นไม้สิ่งของรูปคนรูปสัตว์รูปอะไรตัวก็เป็นสักแต่รูปทนั้นเองสมบับท่านไม่ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงอะไรให้แก่จิตใจของท่านไอ้กิเลสที่ควรจะเกิดมันก็ไม่เกิด ซึ่งว่าการตามความเป็นจริงการปฏิบัติในชั้นนี้ในชีวิตของคนเราเราก็ทําได้แยอะนะครับเราได้แยอะแต่ทีนี้แบก่าแยอะด้วยเลยยุ่งอมันมีรูปเป็นนันมากที่เรามาเคยมานักสิการคือไม่ใส่ใจเลยเมื่อเราไม่ไม่ใส่ใจก็ทําอะไรเราไม่ได้จะ ก, ก่อให้เกิดความโกรธก็ไม่ได้ก่อให้เกิดความโลภ ก, ก็ไม่ได้มันก็สักแต่ว่ารูปเหมือนกันแต่ทีนี้มันไม่ใช่ไม่ใช่สักแต่ว่ารูปไปทุกกรณีมันมีรูปบางรูปที่เราไปกำหนด กำหนดส่วนมากจะกำหนดอยู่สองแนวกำหนดที่ที่ท่านใช้คําว่าอิทถาร่มกันนิทธาร่์คือกำหนดว่าหน้ารักใคร่หน้าปรารถนาหน้าพอใจหรือจะใช้คำสามคำอิทธากันตามนาปาน้าใคร่หน้าปรารถนาหน้าพอใจหรือไม่น่าใคร่ไม่น่าปรารถนาไม่หน่าพอใจถ้าน้าใคร่หน้าปรารถนาหน้าพอใจก็คว้าถ้าไม่น่าปรารถนาไม่น้าพอใจก็ผลักก็มีผลักกับคว้าอย่างนี้ ซึ่งแต่ละอย่างมันก็วุ่นถึงสองเรื่องแสดงว่าจิตใจที่แค่บรรลุรูปฌานเนี่ยยังหวันว่นไหวต่อรูปนะครับมีตำนานนีไอ้อิสิปัตนนะะอิสิปัตนะมนริกฐายวันคำว่าอิสิปัตนะอิสิปัตนะแปลว่าเป็นที่ตกแข่งหรือสี ตามตำนานนั้นท่านแสดงว่าฤาษีที่ได้อภิญญาอภิญญาระดับโลกิยะมันมีที่พิธินะฮะคือแสดงฤทธิ์ได้มันเหาะลอยมาในอากาศได้แต่เหาะลอยด้วยจานนะฮะถ้าจานเสื่อมล้วก็หล่นตุ้ม ก, ก็เดินผ่านเหาะผ่านมาบริเวณนี้ได้ยินเสียงสตรีร้องเพลงเกิดกำนัดในเสียงหล่นบูบลงไปเลยเลยอิสิปัตนา เ, าเป็นที่ตกของฤาษีเสียเหลี่ยมฤาษีหมดเลยเประจานมันตั้งหลายปีะ นี่ก็แสดงให้เห็นว่าไอ้รูปประาจานจริงๆมันไม่ได้พ้นรูปครัแต่เพียงสงบไปเท่านั้นเองใจยังกําหนัดยังพอใจยังเพลเิดเพลินระึงหลงอยู่ในรูปเหล่านั้นเพลิดเพลินก็เสื่อมได้แล้วก็เสื่อมแรงเคยพบภิกษุบางรูปเสื่อมและเละเทะเลยได้บรรลุถึงเจตุตจารนะฮะบทท่านเสื่อมท่านเหมือนกับทำนบพังเลยเหมือนเขื่อนพังเลยปลายหายเลยสุดกูเลย กลายเป็นหัวขโมยหายศึกกลายเป็นหัวขโมยไปเลยนี่สนแสดงว่าที่พวกนิโครนบัญญัติเนี่ยไม่ใช่พระพุทธศาสนาไม่ยอมรับแต่เรายอมรับในแง่ของการส ง, งบไม่ใช่ว่าในแง่ที่จะพ้นจากรูปหรือเป็นคนที่แท้จริงของรูปเพราะนั้นเรายังแกล้งใจยังแกว่งในด้านของเวทนาเวทนาก็คือความสวยอารมณ์ ท่านทั้งหลายจะเห็นว่าพระนาคามียยังติดนะฮะว่านาคามียังติดในรูปประชาญกับรูปประชาญแต่คนสมัยนั้นเขาบัญญัติว่าอารูประชาญเนี่ยอารูประชาญจึงถือว่าสูงสุดแล้วสำหรับนักบวชก่อนพุทธกาลสูงสุดแล้วแล้วก็ศาสนาที่นับถือพระเจ้าอย่างศาสนาคริสต์อิสลามในที่ยริงขึ้นไม่ถึงรูปอารูประชาญนท่านผ้ชขึ้นไปถึงรูปประชาญก็ยังขึ้นไปถึง แดงว่าว่าศาสนาพราหมณ์เนี่ยเขาล้ำหน้าไปแจะก็ถือว่าถ้าพอได้อารูปประชานแล้วมันมันเป็นอารูปอะอารูปคือคือหมายความว่าไม่มีรูปได้แก่ขันท่าห้าเนี่ยเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เป็นกลุ่มของของนามธรรมล้วนๆท่านก็ถือว่าเป็นการพ้นจากเวทนาแแต่พระพุทธศาสนาไม่ถือว่าพ้นมันเป็นการพักเท่านั้น พักนานแต่นั้นเองแล้วก็พร้อมที่จะหมุนเข้าสู่วัฏจักรคือเมื่อชานเสื่อมผลก็ชานเสื่อมพวกเหล่านี้ก็หมุนกลับเข้าหาวัฏจักรนี่แล้วก็เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏกันอีกการที่จะหลุดพ้นจากเวทนาจริงๆต้องบรรลุอรหัตซึ่งก็หมายความว่าพระอรหันต์ทั้งหลายนั้นไม่ติดในเวทนาเวทนาจะอะไรก็ตาม ไม่ติดทีนีทน้ท่านลองดูถึงความแตกต่างอย่างยกตัวอย่างพระอานนท์ซึ่งเป็นพระโสดาบันหรือนางวิสาขาซึ่งเป็นพระโสดาบันพระโสดาบันเนะี่ยยังไม่พ้นรูปนะฮะยังไม่พน้นเพราะงั้นพระอานนท์เวลาท่านโดยเสด็จพระพุทธเจ้าไปที่เมืองโกสัมพีที่ถูกลูกน้องของนางมาคันไยายพวกมือปืนรับจ้างงฮะ มือปืนรับจ้างให้จ้างให้ดา่าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเนี่ช่วยเดินบินธบาติธรรมดาเลยพระนนอนุทันร้อนแล้วทันร้อนแล้วมันบอกไม่ไหวเมืองนี้คนด่าจ้างไปที่เมืองอื่นพระเจ้ารับสั่งถามจะไปที่ไหนท่านก็บอกเมืองไปเรื่อยพระเจ้ารับสั่งถามว่าถ้าเขาด่าที่เมืองนั้นจะว่าไงท่านก็บอกไปได้พระเจ้าบอกไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาเหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่ไหนแล้วก็ควรจะ อ, อยู่ในทีนั้น นี่แสดงเห็นอะไรแสดงให้เห็นว่าท่านก็ยังไม่พ้นไม่พ้นจากอารมณ์โือเด็ดขาดพเดพราอโดนกระแทกแรงๆท่านก็สับโสนเหมือนกันหรือนางวิสาขาที่นางและเคยเล่าฟังว่าหลานท่านตายอะอนาตบินนิกาเตธีก็ร้องไห้นะตอนนางมหานางจุลสุภธาตายเนี่ย ร, ร้รองไห้เลยร้องไห้มาฟ้าพระพุทธเจ้าเป็นอุบาสกระดับโสดาบันเหมือนกัน แต่ท่านก็ร้องไห้แสดงมายังกวัดแกงยังอ่อนไหวไปตามอารมณ์นั้นนวิสาขาพระพุทธเจ้าต้องตั้งปัญหาให้คิดแต่สติท่านเร็วนะฮะสติท่านเร็วมันไม่ผิดกับเราเออพิการสามันชนสาวันจนเราสติไม่เกิดเร็วขนาดนั้นพระเจ้าตั้งปัญหาว่าเธอต้องการจะให้มีลูกสักกี่คนมีหลานเท่าไหร่บอกว่าอยากจะให้คนเมืองสาวัตถีทั้งหมดเนี่ยก็เป็นหลานั้งนั้น พุทเจ้าแล้สั่งถามแล้วคนที่นี้เขาตายกันวันนั้นเท่าไหร่ท่านบอกไม่แน่8ดคนบ้างเกคนบ้างสิบสอคนบ้างพรุทธเจ้าบอกท่าอย่างนั้นเธอก็ร้องไห้กันทุกวันนะ่ะก็เท่านั้นนะท่านก็ได้แล้วไม่ต้องพูดอะไรมากเพราะสติเร็วกว่าสามัญชนทุบไปแต่ก็ไม่ได้มายควาสมบูรณ์นะครับพระโสะดาบันยังไม่สมบูรณ์อกนี่คือจุดที่เราจะเห็นได้ว่า ดูคล้ายๆจะเหมือนกันซึ่งนิโครนเขาเริ่มมาจากว่าพระพุทธเจ้าก็แสดงโทษของรูปคุณของรูปโทษของเวทนาคุณของเวทนาแกก็เหมือนกันแกก็แสดงโทษของรูปคุณของรูปโทษของเวทนาคุณของเวทนาเหมือนกันเพราะงั้นก็ไม่น่าจะต่างกันซึ่งดูแล้วก็ใช่ก็ไม่น่าจะต่างกันแต่ว่ามันความสูงต่ำในบันไดขั้นต้นมนก็พูดกันไปปกฟังกันได้ แล้วควางกันได้แต่พอไปถึงจุดหนึ่งแล้วพระพุทธศาสนานเลยไปเลยซึ่งนิครนไม่ได้พูดถึงเรื่องเหล่านี้อย่างวันก่อนนี่ฟังหลวงพ่อปัญญาท่านพูดที่รตรีันที่สิบสองแล้วท่านมาสรุปว่ า, าคนบางคนนี่จนถึงกบทรยศต่อศาสนานของตัวเอง ไม่รู้จักคุณค่าของศาสนาแล้วก็เปลี่ยนไปนับถือศาสนาอื่นจากที่ปู่ย่าตายายของตัวเองเคยนับถือมาทั้งๆที่ททได้ความดีในศาสนาอื่นทุกอย่างนั้นในพระพุทธศาสนามีแล้วแต่ความดีที่มีในพระพุทธศาสนาอีกเป็นอันมากที่ศาสนาอื่นไม่มีแต่เรามีเราก็ขึ้นไปนเหนือกว่านะ แล้วเราก็ทิ้งไอ้สิ่งซึ่งเรามีอยู่แล้วนะฮะไปเอาสิ่งที่เรามีอยู่แล้วนั่นเองในที่อื่นและกลับทิ้งสิ่งซึ่งในที่อื่นไม่มีไปนั่นคือการทิ้งจริงๆไอ้จุดบางจุดแม้ใช้คําใช้อะไรต่อไรเหมือนกันอย่างที่ว่าเนี่ยทั้งคุณทั้งโทษทั้งรูปทั้งเวทนาเพราะว่าสับเนี่ยอย่าไปติดใจก็สับก็คือสับสับนั่นเป็นการบัญญัติจะเรียกกันตามโบหานเป็นโลกกบโบหานเท่านั้น ตในชั้นของความประนีตแล้วอัญญาเดยรถีท่านก็ไปอย่างสูงสุดแค่อรูปประพรมแต่พระพุทธศาสนาไปถึงนิพพานเพราะนั้นพอถึงชั้นพระอระหันต์จริงๆจึ ง, จ ง, จ ง, จงเพิกเวทนาได้คือคือคื อ, ค, อ, ค, อคือไม่ติดในเรื่องเวทนาอะไรแล้วเพราะอะไรเพราะว่าท่านละกิเลสเพิ่มขึ้นอีก5อย่างเวลรูปประราคอรูปประ ร, ราคารูปราคะในชั้นที่ละเอียดนะฮะแต่ชั้นห ย, ยาบๆก็ทั่วๆไป ชั้นละเอียดจริงจชั้นสังโยชน์จริงๆนั้นหมายถึงรูปประฉานคือติดรูปประฉานพวกฤษีสมัยนั้นติดรูปประฉานท่านอาราดาบทเองท่านก็ติดที่รูปประฉานรูปปัจฉานเนี่ยแล้วก็อารูปประราคะคือความกำหนัดในสุขเวทนาต่างๆสุขเวทนาต่างๆจนถึงอารูปปัจฉานเพราะว่าพวกนี้แหละพวกปีติพวกสุขพวกอะไรตัวอะไรนี่ที่ทําให้ติดนพระราคามีอย่างที่ท่านก็ติดแต่พระอรหันต์ไม่ติดนะ เราลองลองนึกดูถึงว่าตอนที่พระพุทธเจ้าทรงประชวรหนักก่อนจะนิพพานเนี่ยก็ดูแล้วไม่น่าจะไหวไม่น่าจะไหวแต่ว่าตั้งแต่บันทมเรียกอนุทานสยาเนี่ยบนประแทนที่ไปนิพพา น, นก็รับสั่งเทศได้ตลอดเลยทั้งๆที่ก็สะบักสะบอมมาตั้งแต่ในบรรษามาแล้ว เพราะอะไรเพราะพระองค์แยกกายกับจิตออกได้เด็ดขาดเวทนาที่จริงมันเสียแทงแรงนะฮะพรองคบางคนหนักเป็นพระโลยิตอะตั้งแต่เช้ามาแล้วลวงบางคนหนักเป็นพระโลหิตตั้งแต่เช้ามาแต่ว่ากายกับจิตไม่ได้ไปอยู่รวมกันคือแยกจากกันไม่ได้ไปใส่ใจถึงถึงไอเวทนาที่เกิดขึ้นแก่กายเวทนานั้นก็ทําอะไรต่อพระองค์ไม่ได้พระองค์ก็ทํางานของพระองค์ไปได้เรื่ยๆแล้วก็เสร็จแล้วก็ ชาญเข้ า, า, ขาสมาธินิพพานเดินชานอยู่พัคทั้งด้วยแล้วก็นิพพานเป็นการนิพพานที่ส ง, งบเรียบร้อยไม่มีปัญหาอะไรเพราะอะไรพระองค์ไม่ติดในเวทนาทั้งทุกข์ทั้งสุขนะฮะทั้งทุกข์ทั้งสุขคือสุขเองก็ไม่ติดทุกข์เองก็ไม่ติดคือเป็นการแสดงให้เห็นว่าไม่มีความกำหนัดในรู ป, ปราคะคือสุขเวทนาและไม่ใช่อารู ป, ปราคะแล้วก็ละมานะละอุทจจะ มานะก็ความถือตัวถือตนอุทจฉความฟุง้งให้ท่านทั้งหลายสังเกตนะฮะว่าในนิวณ์เราเรียกว่าอุทจฉกุกุจฉาแต่พอในสังโยชน์เราไม่เรียกกุกุจฉาเราเรียกแต่อุทจฉาอุทจฉาแปลว่าฟุง้งกุกุจฉานั้นหงุดหงิดรำคาญลักษณะของของของกิเลสจึงเป็นคนกิเลสคนละสายกันแต่มันเกิดขึ้นมาได้เมื่อกิเลสจึงหนึ่งเกิดจางหนึ่งมันเกิดตามได้กุกุจฉาเป็นอาการของโมหะ ไม่ใช่อุทัจจะเป็นอาการของโมหะหรือฟุ้งเนี่ยนะแต่วกุกุจจะนั้นเป็นอาการของโทสะซึ่งท่านทั้งหลายอาจจะสังเกตดูก็ได้ฟุ้งเลื่อนลอยธรรมดาเนี่ยเลื่อนลอยธรรมดาธรรมดาเนี่ยเขาก็ฟุง้งฟุ้งไม่ค่อยเป็นเรื่องเป็นราวอะไรแต่ไละแต่ถ้าพอเกิดรําคาญหงุดหงิดแล้วมันเป็นโทสะเป็นโทสะยังกิเลสคนอาศาัแล้วโทสะนี่พระอนาคามีทันละมาแล้วเพราะงั้นมาถึงพระอาหารหันต์แล้วไม่มี ไม่มีไอความฟุง้งอิเลส ท, ท่านจึงตัดออกไปตัวหนึ่งก็อวิชาหนละรากเงาทั้งหมดก็ถอนรากกันตรงนี้ก็เป็นว่าก็จบาจากเรื่องราวในพระสูตรนี้เป็นการแสดงให้เห็นโดยสรุปท่านทั้งหลายจะเห็นว่าอุปกรณ์ในการเรียนรู้ธรรมะ ในทางศาสนาพุทธนั้นทีจริงมันก็อยู่ที่เราอะเราคือตู้ประจัยบิดกทั้งตู้เลยอยู่ที่เราทั้งหมดไม่ว่าอะไรกุศลอกุศลแม้แต่มรรคผลนิพพานก็อยู่ที่เราทั้งหมดแต่ปัญหาว่าดึงขึ้นมาไม่ได้แล้วเองจะทำยังไงถึงจะดึงขึ้นมาได้บรรดาความทุกข์ที่ทรงแสดงนั้นเป็นภาพที่พระพูดป้ามันก็เห็นปุ๊บฮะ แต่ท่านั้นก็มีความโต้แย้งนะฮะมีความขัดแย้งขึ้นภายในใจถ้าแรงกิเลสแก่มากนะแรงกิเลสแก่มากแกก็จะพยายามขัดแยง้งในวันก่อนนี้ไปพูดถึงไปต่างจังหวัดมาไปพูดถึงเรื่องการทําศพแล้วก็ไปเลี้ยงเล่าไปเล่นการพ น, นันไปรํากันเนี่ยไวันบอกวันไม่ดีมันนอกเรื่องมันไม่ใช่อะไรมันนอกเรื่องพ่อแม่ตายในมันดีใจจนถึงฉลองรํากันจะเหรอ คือมันไม่เข้าเรื่องอะแล้วก็เล่ากินกระชี้เขาเห็นว่าไม่เป็นการซ้ําเติมคนตายคือเจ้าภาพนะเพื่อนพ่อตายหรือแม่ตายไปคนตายทั้งคนแล้วเราจะเสียเงินในการทำศพเราเสียเงินเลี้ยงเล่าญาติพี่น้องอีกบางทีมันซื้อหมูซื้อควายซื้อวัวมาค่าย่างเงี้ยเอานี่มันเกินความจําเป็นแต่เราต้องการเล่นการพนันเนี่ยเล่นการพนันเนี่ยแทนที่จะมาช่วยเพื่อนเขา เสียญาติพี่น้องไปมาช่วยเหลือกันมานั่งเล่นการพนันนะเสร็จแล้วก็กิกนข้าวจะบรรจภาพ เ, เล่นการพ น, นันก็เราก็พูดให้เห็นว่าเนี่ยมันมันมั น, ม, นมันทำยังไงตึงจะตัดออะไรบ้างเพราะไม่เป็นประโยชน์เป็นการทําลายเศรษฐกิจของคนซึ่งเขาสูญเสียพ่อแม่ไปแล้วเราไปทําลายเศรษฐกิจเขาอีกแทนที่จะแสดงความเป็นมิตรมันแสดงถึงผู้ล้างผลาญเนนะี่ยจะแสดงความเป็นมิตรอะไร แต่ว่าพวกคอล่าเขาก็ค้านก็มีเหตุผลน่าฟังเหมือนกันนะะคือสรุปว่าถ้าไม่มีอย่างนั้นเขาก็ไม่ได้กินสิไม่มีอย่างนั้นเขาก็ไม่เล่นการพ น, นัน ก, ก็เขาก็ค้านขึ้นไปแล้วก็นากา่ฟาฟังฟังแล้วก็นึกนึนกยิ้มยิมเออมันก็มีเหตุผลหรอกเพราะอะไรเพราะเราพูดเพื่อผลประโยชน์ของเราถ้าไม่อย่างนั้นเขาก็ขาดเราก็ขาดผลประโยชน์เขานี่เพราะอะไรเพราะว่า อความมืดบอดในด้านสติปัญญาเนี่ยันมากเมื่อนมากเราก็ไม่รู้ไอ้ของดีที่ในตัวเราเนี่ยว่าที่จริงมันก็มีอยู่มอยู่ในตัวเราทั้งหมดจะรู้ทุกข์มันก็รู้ที่เราเนี่ยซึ่งตัวอย่างที่เห็นได้ง่ายว่าเวลาเราประสบกับเวทนาต่างๆที่พระพุทธเจ้าบอกว่าทุกข์มันมีลักษณะแผดเผาเร่าร้อน ลักษณะของความทุกข์คืออาการที่มันแผดเผาเราร้อนก็เราดูที่หิวเนี่ยมันร้อนไหมมันแผดเผาไหมดูที่ปวดที่เมื่อยดูที่อะไรในปวดหัวปวดท้องในมันทุกข์นั่นแหละมันทุกข์ตรงนั้นเลยมีอาการแผดเผาเราร้อนไม่ต้องดูไอตัวเหตุปัจจัยอะไรก็ได้ดูเฉพาะไอตัวแผดเผากับตัวเราร้อนเราก็จะเห็นว่ามันก็อยู่ที่ที่เองอนิพพานไอไม่ใช่ทุกข์อ่ะทีนี้พอมันดับน้ำทุกข์มันดับมันก็เป็นนิพพานอย่างกนอนก็ปรากฏกันอยู่ที่ตัวเรา เรื่องทั้งหมดที่ทรงแสดงนั้นท่านทั้งหลายจะเห็นว่าเป็นภาพที่มองง่ายๆแล้วก็มองเข้าใจถ้าเราพยายามคิดดูนะว่ามีแต่ความทุกข์เหลือเกินชีวิตเนี่ยอ้ามาลองสังเกตหนักขึ้นไปกว่านั้นนะ่ว่าคนที่มาเคยปรึกษาปัญหาที่เกี่ยวกับจิตใจให้กลับเป็นคนรวยนะคนจนไม่เคยมาปรึกษาเลยถ้ามาก็มาขอสตงังค์กอะไรง้ไอ้คนรวยทำไมมีปัญหาเยอะอะไร มีปัญหารู้สึกว่าคล้ายๆก็มารุมมาตุ้มไปหมดเลยรุมตรงนางมันทั้งหาทั้งคอทั้งเทินทั้งอะไรเนี่ยทั้งหน็บรักแร้มาก็รุงพรังหมดเลยคล้ายๆก็มา <c oughs> คือคือแสดงว่าแรงปรารถนาเนี่ยมันคงจะสูงนะฮะคงจะสูงพอพอแรงปรารถนามากเมื่อเมื่อปรารถนามากก็ไอมานะมันก็เกิดคือเราเป็นอย่างนั้นนะฮะถือว่าเราเป็นอย่างนั้น เราเป็นอย่างนั้นเราก็ต้องการจะบังคับคนอื่นเพืแสดงความยิ่งใหญ่ของตัวเองก็ให้คนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนั้นเป็นอย่างนั้นเราชี้นิ้วชี้นิ้วพอชี้ไม่ได้เลยก็เต้นนีนี้ชี้ไม่ได้ก็เต้นก็มีปัญหาทันทีเลยมีปัญหาแล้วเก็บไอ้คนนั้นเราให้เป็นอย่างนั้นมันไม่เป็นอย่างนั้นมันดื้อดึงอย่างนั้นอย่างนั้นตอนนี้มันคือแพ้ราบคาบเป็นการแพ้อย่างรับคาบเพราะอะไรเพราะว่าเราบังคับคนอื่นเพลินไปเลยไม่ได้บังคับตัวเอง เราบังคับเราชนะตัวคนตัวเราคนเดียวไม่ได้คือไอ้ความอยากจะชนะคนอื่นเราเอาชนะมันไม่ได้แล้วก็พยายามที่จะไปชนะคนอื่นเขาคนคนเดียวชนะไม่ได้แต่ต้องการชนะคนมากเลยเกิดเป็นปัญหาขึ้นมานี่แสดงว่าสืบเนื่องมาจากเนี่ยสืบเนื่องมาจากคือมันเริ่มที่ความโลภก่อนนะความต้องการได้มากพอได้มามากแล้วก็ต้องการได้ฐานะ มันก็เปลี่ยนแปลงขึ้นในพฤติกรรมที่แสดงออกมาแล้วในที่สุดมันก็มีปัญหาปัญหาส่วนมากแล้วก็เป็นปัญหาเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องลกูกเรื่องคนใช้เรื่องคนงานเรื่องอะไรทีเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่เราต้องการจะควบคุมทั้งหมด่ะให้เป็นไปาตามที่เราต้องการโดยเราไม่ได้คิดว่าคนเหล่านั้นถ้าแกคิดได้แกทำได้เหมือนเราต้องการนะ แกก็ไม่เป็นลูกน้องแล้วนะแกเป็นนายไปแล้วไอ้ความคิดเหล่านะัเป็นความคิดของนายนะไม่ใช่ความคิดของลูกน้องจะให้คนรถของเราคิดได้เท่าเราได้ไงแกคิดได้แต่เราแกก็ไม่มารับจ้างขับรถไปแล้วแกไปตั้งบริษทัทเชนะแล้วแกคิดไม่ได้แกคิดได้ขนาดคนขับรถแต่นั้นเองอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องยอมรับสภาพของแกแต่เมื่อเราไม่ยอมรับสภาพเราพยายามดึงดันที่จะให้แกคิดได้ทําได้ตัดสินปัญหาได้เหมือนเราคิดเราเราทำเราตัดสินปัญหา ได้ใ น, นหลวงก็กลุ่มมันกลายเป็นปนัญหาขึ้นมากิเลสแทนที่ใจเบามันก็เลยก็เพิ่มขึ้นซึ่งถ้าหากว่ามีการวิเคราะห์ตรวจสอบดูตามที่จริงก็ไม่มีอะไรนะฮะธรรมะท่านทั้งหลายจะลองสังเกตดูว่าพูดๆไปมันก็ซ้ำทำไมทึงซ้ำเพราะธรรมะก็เป็นอย่างนั้นแหละเรียนที่ตัวเราแล้วก็ไปเจออยู่เรื่อยๆส่วนมากก็สรุปมาที่ขันห้าอยู่ด้ย ก็หมดแล้วเนี่ยเรากการห้ามันก็หมดประเด็นต่อไปก็คือเรื่องของคุณกับโทษของรูปคุณกับโทษเน้นเราก็ดูอะไรต อ, อะไรได้แยะนะยกตัวอย่างว่าความสวยงามเนี่ยสวยงามอุตสาห์แต่งตัวก็จะหน้ากระจกสามชั่วโมงกว่านะแต่งมาแล้วพอสีชั่วโมงหมดแล้วเลยก็ต้องแต่งใหม่นี่ก็แสดงไอ้ความเป็นคุณเป็นโทษมันมันมันก็เป็นตรายลักษณ์อย่างเนี้ยมันก็เป็นความไม่เที่ยงอย่างนี้ ไอ้ตอนหนึ่งก็เป็นคุณตอนหนึ่งก็เป็นโทษนั่งสบายก็เป็นคุณพอปวดเมื่อยก็เป็นโทษมันก็เห็นกันอยู่หรือว่าร่างกายช่วงหนึ่งก็เป็นคุณมีความน่าชื่นชมยินดีและจุดที่น่าชื่นชมยินดีสมมุติว่าเกิดเป็นลมชักงแงก่งงกอ้าวเป็นโทษอีกอะมันมันมันก็เห็นกันอยู่ใกล้ๆง่ายๆเนี่ยก็เรียนจากตัวอย่างจากชีวิตจริงจากกิจใจของเราหรือจากไอ้สิ่งที่ปรากฏแก่ประสาทธัมผัสของเราดาน้ามาจึงพูดอยู่เสมอว่า วิธีศาสนานั้นเป็นวิธีอะไรล้วนะเอ๊ะไม่ใช่วิธีอย่างไรวิธีอย่างไรในะชั้นของวิปนะัสสนาคืออย่างไรไอ้สิ่งนั้นมันอะไรนั่นมีอยู่แล้วมีอยู่ทั้งหมดแล้วปัญหาว่าอย่างไรคือเราจะใช้มันอย่างไรจะหาประโยชน์อย่างไรจะมองอย่างไรจึงจะสามารถบรรเทาปัญหาต่างๆลงไปได้แต่ไม่ใช่เราเป็นการแก้ปัญหาแล้วก็สร้างปัญหาขึ้นซึ่งเท่าที่สังเกตปัญหาในระยะนีนะฮะปัญหาที่เกี่ยวกับหมอจิตเวทเนี่ย มาก็เลยทำทำหน้าที่หมอจิตเวชอยู่เรื่อยๆคดูแลนี่มีลักษณะมารุมมาตุ้ ม, มแล้วเราไปแบกเกินไปแบกเกินไปบังคับให้เป็นไปตามที่ตัวต้องการนะพระพุทธเจ้าเทศน์าตั้งแต่การแรกแล้วนี่ตังป ม, มาเนโซะมัสมีนามเมโซเมียตาเนี่ยนั่นหม่ยใจของเรานั่นหม่เป็นเรานั่นหม่ยใจตัวใ่ตนของเรานะคือถ้าเป็นตัวเป็นตนก็เรารเร า, เราต้องบังคับได้แม้แต่ตัวเราเราจะ บ, บังคับไม่ได้ จะบังคับไม่ได้จะให้เป็นอย่างนั้นจะให้เป็นอย่างนี้จะให้เป็นอย่างโน้นแต่คนอื่นจะบังคับอะไรบ้านักหนาอย่างน้อยที่สุดในชั้นของชีวิตเนี่ยเราทำยังไงคือแบ่งให้ในเรื่องของการบังคับบัญชาเจตนาดีเมตตากรุณานีกครึ่งหนึ่งและอีกอย่างครึ่งหนึ่งคือต้องมองในแง่ของกรรมมองในแง่ของกรรมว่าคนบางคนเช่นมันมีปัญหาเรื่องลูกเนี่ยเรื่องลูกลูกมันมีปัญหาทางไอะไรสุขภาพจิตของแกโรคแปลก โรคไปแปลกมีแยะมเมื่อวานนี้ก็มีปัญหาที้เขามาเล่าฟังโอ้มันแปลกฮะจิงชังแม่เป็นโรคเกลียดแม่แล้วก็แม่มีอะไรต้องการจะมีด้วยขอสตางค์ได้น้อยก็ด่าแม่อะไรนี่ก็เลยกับแม่ก็มีปัญหาหน้าสงสารนายแม่เนี่ยคล้ายก็แบกโรคมาทั้งโลกเลยแต่มาก็เลยก็แนะนําบอกว่าเนี่เพื่อคุณแบกอย่างนี้มันไม่ไหวแล้ว ก็คิดว่าหน้าที่ของแม่นั้น50าสิอร์ซ็นตไปเต็มตามสติกามังแล้วก็ถือว่ากรรมบริสัทธ์ทั้งหลายต้องเป็นไปตามกรรมแกมาด้วยกรรมของแกแกอยู่ด้วยกรรมของแก่แกก็ต้องเป็นไปด้วยกรรมของแกเราเราเราช่วยได้ขนาดไหนเราช่วยได้ขนาดนั้นไอ้วิสัยอย่างนี้เรื่องบางอย่างนี่แม้แตพไไ่พระพุทธเจ้าเองก็ทําอะไรไม่ได้นักปาชญอะไรกันเราพระพุทธเจ้าคนบงคนก็ช่วยไม่ได้ อย่งที่เคยเล่าว่านายโคคาศก็อยู่ใกลว้วัดพระเจดวรรณนะฮะนายโคคาศ์นายโคาายโคาศกับนาจุนทัศสุกริกเนี่ยอยู่ใกลว้วัดพระเจตวันพวกนี้ทําบาปทํากรรมสารพัดนายโคคาศ์เนี่ยมันโหดร้ายทารุณจนขนาดว่ากินลิ้นกินไม่ใ่กินเนื้อโคนะฮะจนจิตวันหนึ่งพัญญาเกิดเอาเนื้อที่เก็บไว้เพื่อสามีนั้นไปให้เพื่อนนะเพื่อนก็มีแขกมาที่บ้านนายโคคาศ์ไนั่งกินอาหารไม่เห็นเนื้อ ถามหาเมียบอกว่าให้เพื่อนมปซะแหะลุกขึ้นไปถึงดึง ล, ลิ้นวัวในอคอกตัดตัดลิ้นแล้วมาทําอาหารน้ามาเลยไม่กล้ากินสเต็กเนื้อลิ้นวัวท่นนั้นคนไปตามหาดีๆไม่กล้ากินเออเนี้ยแล้วเสร็จแล้วพอแกกินเนื้อเนี่แกวางปลาลาลิ้นแกก็ขายแล้วก็ดิ้นคลักคลักอยู่เจ็ดวันร้องเป็นโคคลาใ น, ะ ร, นร้องโควาเจ็ดันพระพุทเจ้ า, จาท่านรู้ของท่านตลอดแต่ท่านท่านช่วยไม่ได้ ช่วยไม่ได้มันมืดตื้อจริงๆเลยคนเหล่าเนี้ยเลองนึกดูมันจะตายกันมันอาหารเต็มโต๊ะอยู่เนี่ยต้องลุกขึ้นเราไปดึงลิ้นโคลใน้อแล้วมาตัดเอามาให้เมียทอดถามต้องกินเนื้อให้ได้ท่างๆที่สมมติว่าแกไม่กินก็ไม่จะตายอะไรแต่ว่าคนเหล่านี้เป็นการมืดบอดเรือเ่อยๆนั้นสู้ไม่ไหวจริงๆสุดวิสัยสุดวิสัยก็ต้องนึกในแง่ของกรรมเพราะแม่ไม่ต้องไปแบกโลกไว้มากมายอย่างนั้น่ะ เพระาะว่ากันตามความเป็นจริงลูกเราเนี่เราก็เลี้ยงได้แต่กายนะฮะใจเราก็เลี้ยงแกไม่ได้นะก็กฎความจริงแต่ว่าหน้าที่ก็คือหน้าที่แต่ก็ต้องแบ่งใจไว้จากห้าสิบอะคือถ้าไม่ไหวจริงจริงก็กรมมกรมสกมหิตเนี่ยท่องท่ อ, งอยู่เนี่ยกรมมกรมสกุมหิตกรรมดาโดและภาวนาไปตรงนี้แหละถ้าไม่งั้นเราต้องแบกแยกเลยแล้วบางทีเราอาจจะเข้าโรงพยาบาลประสาทก่อนแกนะแกกลายเป็นเด็กฮาร์ดเราก็ประสาทแล้วหมดพอดีบ้าน บานเดียวก็ไม่ได้ปรเดีก็หมดกันนี่ก็เป็นการศึกษาในแง่ของข้อเท็จจริงโดยวัตถุดิบต่างๆที่เราพบเห็นกันอยู่เนี่ยไม่ได้เอามาจากไหนและสิ่งที่นา ม, มาสอนแต่ละข้อทั้งท่านจะเห็นว่าภายในครอบครัวเนี่ยภานไม่ใช่คือเราเริ่มมาจากการทํางานนะแล้วก็การได้มาไม่ว่าจะเป็นสุขก็เป็นทุกข์อีก ยิ่งในปัจจุบันนะยิ่งแล้วใหญ่เราเราเห็นความทุกข์ชัดเจนมากยิ่งขึ้นได้มามาตกมาแต่ม า, ม า, ม า, มาประดับประดาเอามาเป็นอันตรายอีกแล้วแล้วก็ภายในครอบครัวซึ่งซึ่ ง, ซ, งซึ่งหาได้ยากนะฮะไอ้ทำยังไงถึงจะให้เป็นเทพประบุกรกับเทพธิดามาอยู่ด้วยกันนะ่ไม่จะยักษ์ขีนีไปอยู่ประเทศระบุรหรือว่ายักษ์มาอยู่ประเทศธิดาเป็นวิวาสี่คู่ที่พระเจ้า ทรงแสดงเพราะงั้นถ้าไ อ, ไอระดับที่เทพบุตรอยู่กับเทพธิดาแล้วบ้านเป็นวิมานเนี่ยเรีกอะไรนะกิ่งทองใบหยกไม่ใช่กิงงนะก่งทองใบตาแย่นะไอกิ่งทองประยกอ่ะมันก็หายากที่จะเกิดความสุขถึงแม้อย่างนั้นถ้ามองในแงน่ลึกซึ้งมันก็มีทุกอยู่แยะนะแต่บรรทุกน้อยหน่อยเลยเราก็บัญญัติเป็นว่าความสุขไปแล้การต่อสู้การปรารประหา ร, ร, หารการการวาดระแวงต่างๆนี่เราก็เห็นว่ามันเป็นทางแห่งความทุกข์ ชีวิตเราเราเลยอยู่ในแวดวงของความทุกข์จนถึงกับทุกข์ที่เกิดขึ้นจากอาจยาแผ่นดินก็ถูกทำผิดกฎหมายแม้ในปัจจุบันโทษจะไม่แรงอย่างที่ก็ทำกันในสมัยนั้นไอ้โทษเหล่านี้ดูบางอย่างคล้ายๆกับที่ท่านแสดงไว้ในมหาวิบากในนรกน่ากลัวมากจนถึงกับไอ้ทำบาปทำกรรมเพื่อนั้นเพื่อนี้เพื่อนนั้อ้าง เ พ, เพื่อคนนั้นเพื่อคนนี้เพื่อคนน้อนอย่างที่เคยพูดมาเรื่องชานุโสนีพราหม์ที่แกอ้างว่าแกจําเป็นจะต้องทําผิดทำทุจริตช่อราดบังหลวงเพราะว่าต้องเอาเงินดูเงินทองมาเลี้ยงดูพ่อแม่ครอบครัวบุตรธิดาขาดบริวารที่ภาษาไี้บุตรทตั้งปัญหาคิดว่าถ้าเราอ้างอย่างนั้นแล้วมันจะแก้ปัญหาอะไรได้ไหมเวลาเราตายไปนายนิจบาลเขาเ เราจะอ้างกับ น, นยายดยบาลว่าที่เราทํานี้ไม่ไม่ใจทำเพื่อตัวเองนะทําเพื่อครอบครัวนะ่ะมันจะพ้นผิดไหมก็ไม่พ้นผิดแล้วก็ถามในแง่ปัจจุบันแง่ปัจจุบันว่าเราอ้างว่าเราทําผิดเพื่อครอบครัวนี่มันมันจะต้องไม่ติดคุกได้ไมั้ยมันก็ไม่ได้ตกนรกไอ้ไม่ต้องตกนรกได้ไมั้ยมันก็ไม่ได้คือมันไม่ใช่เหตุผลที่จะอ้างแต่ในขณะเดียวกันก็มีเรื่องเป็นอันมากที่เราต้องทําต้องทําไป และในที่สุดมันก็สะสมบาปรกรรมเอาไว้และบาปกรรมนั้นเราทําบาปกรรมผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจาก บ, บาปกรรมอาจจะได้ถึงคนอื่นนะฮะเช่นข้าวฝิ่นมาส่งเสียลูกให้เรียนแท น, นก็ว่าไปแต่ว่าเวลาผลที่เกิดจากการทําบาปกรรมเหล่านั้นทั้งในแง่ปัจจุบันและในภายหน้าเราเป็นคนรับของเราคนเดียวการนี้ก็เป็นเป็นเรื่องที่ยกตัวอย่างมาทั้งหข้อนั้นเป็นตัวอย่างที่เราเห็นได้ง่ายๆทั้งหมด แล้วแม้แต่คุณของรูปโทษของรูปคุณของเวทนาโทษของเวทนานี่นันก็ดูที่เราเนี่ยก็มไม่ได้ยากเย็นอะไรนั่งกรรมาฐานอะไรไรดูไปมายังยังนึกถึงถึงเนี้ยยังนึกถึงถึงตัวเองนะเห็นตอนนี้ว่ามาถ้าพอแน่ใจจะตายจะพูดใส่เทไปไวไดสั่งคนจะมารถน้ำศพเนี่ยให้รอก่อนเสร็จแล้วพอมาพร้อมแล้วก็เปิดเทปเลย จะบอกอย่างนั้นอย่างนั้ น, ง, นงั้นทำเราไม่เอามานั่งเอาศพแช่ไว้ตั้งนานๆตายก็เผาไม้หนักกหัวคนอื่นเผาคือจะสั่งเสร็จใครต้องการจะเป็นเจ้าภาพสวดก็ให้ตั้งเป็นมูนิชิโดยไม่ต้องสวดตั้งเป็นมูนิชิเอาไว้ช่วยเผยแผ่าศาสนาแทนน่ะไม่ตามอย่างนั้นจะ่าทากว่าแล้วก็นี่ว่าไอ้ผนังพระรางเวลาคนป่วยเนี่ยเอาอะไรไปใส่ใเนี่ยตอนนี้มันดูเวทนาชัดจะตาย ดูเวทนาอุปัสนาสติปัฏฐานนี่ยดูใช่บ้งเจริญกรรมฐานใช่บ้างมาโอ้ยโอยอยู่ทำไมตอนนี้มันที่เรียนมันแล้วที่สอนเราแล้วเนี่ยตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นชัดเหลือเกินอนะเวทนาปรากฏชัดมากเลยแล้วไม่มีกรรมฐานอะไรที่เหมาะเท่าเวทนาตอนนั้นนะฮะที่โรคภัยไข้เจ็บมันเสียแทงเนี่ยปล่อยมันในสายระโยงระ ย, งร ย, ยางดึงออกนะแล้วก็นั่งดูเวทนามันชัดจนดับไปด้วยเวทนามันดีกว่ามา น, นั่งกลัวตายอยู ไอ้ร่างกายอย่างนี้มันชุดโสมขนาดนี้แล้วเนี่ยสัมนวนเนี่ยนนทุ่งเหนือนี่เขาบอกว่าทําลายพระชนะดินไปใช้พระชนะทองย้ายจากกระต๊อบไปขึ้นอยู่วิมานสบายจะตายแต่มั่นใจเะหน่อยทําบุญทํากุศลให้มั่นใจเสหน่อยแล้วไปห่วงอะไรในสังขารร่างกายนักหนาคือถึงคราวแตกดับก็แตกดับในเรื่องธรรมดาว่าทํำยังไงเราจะหาประโยชน์จุดที่มันจะดับเนี่ยเราจะพบว่าอย่างยางาพระบางองค์เนี่ยท่านบรรลุอรหัตพร้องกับตาย มีตั้งหลายองค์มีองค์หนึ่งเสือกัดเสือกัดท่านก็ไม่ไม่รู้จะทำยังไงนะมั น, ม, นมันกัดไปแล้วอะ่ะท่านก็เอาเวทนาตัวเนี้ยเวทนาที่เสือกัดกว่วมก่วม่วมก่วมก่วเข้ามาเนี่ยพอพอจะหมดท่านก็บรรลุพอดีเสือก็กลืนท่านกินท่านไปได้เรียบร้อยพอดีนี่ท่านเอาของท่านได้เวทนาตรงนี้จริงช่วยได้มากแต่เราแต่เราไม่ไม่พยายามเอาไปใช้ ไปเป็นห่วงเป็นยายขอให้หมอทำอย่างนั้นหมอทําอย่างนี้บางทีสั่งหมอตัวเองเลยซึ่งก็ไม่ได้ประโยชน์ถึงคราวมันจะเป็นไปก็ปล่อยให้มันเป็นปไปนี่ก็เป็นการเรียนมหาทุกข์ขันขันในสูตรกองทุกใหญ่เนี่ยคือเราถือว่าร่างกายเนี่ยจริงมันเป็นกองทุกข์กองทุกข์เคลื่อนชี้เราก็เป็นศพเป็นนะฮะเขาก็เป็นศพตายก็ได้นั้นเองอะหลังเราไม่หายใจเราก็เป็นศพตายคนอื่นก็เป็นศพเป็น ก็เป็นก็นอยู่อย่างนี้นี่ก็คือการเรียนความจริงทั้งหมดจากชีวิตนะแล้วก็เป็นภาพที่ทรงเรียบเรียงจากง่ายที่สุดไปหายากโดยละเอียดขึ้นไปข้างบนมันก็ยากหน่อยเพราะว่าเราจะต้องปฏิบัติไปจนสัมผัสเห็นว่าเวทนาเนี่ยมันเป็นยังไงเวทนาระดับที่เรียกคุณของเวทนาจริงๆซึ่งจะเป็นผลก็สมาธินะั้นเป็นยังไงก็ต้องอาศัยการประพฤติปฏิบัติแต่ว่าชั้นล่างๆเนี่ยโดยมานักทการทั้งหมด6ข้อข้างล่างเนี่ ย, ย, ร เ, ยเราก็ดูเอาได้ก็เห็นได้นี่ก็คือมหาทุกขขันได้สด แปลว่าสูตรที่ว่าด้วยกองทุกขนาดใจซึ่งก็อยู่ที่เราทั้งหมดเลยแล้วก็เห็นกันได้ไม่ได้ยากเกินอะไรปัญหาว่าจะยอมรับวันนี้เป็นความทุกข์หรือไม่และจะปล่อยวางละได้ขนาดไหนผลคือความสงบใจก็จะบังเกิดขึ้นตามสัดส่วนของความปล่อยวางที่บุคคลเ่านั้นประพฤติปฏิบัติได้เอาวันนี้ก็ขอ ยุติไว้ใยเวลาเพียงตอนนี้ที่สุดนี้ขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยโทั่วกันสวัสดี